ตอนนี้ไป <c oughs> ขอบรรดาท่านพระบิด์สมณีของหลายไม่ญาติโยมบาสกุมบาศีกาฟังกฎคงกรรมเรื่องนรกกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องเอเวจีมหานรกอีกเพราะว่านรกคุ้มอื่นก็หาตัวอย่างยากเหลือเกิน เพราะว่าตามพระบาลีถ้าไม่มีมาถ้าผมจะทำอะไรนอกเหนือพระบาลีไปก็จะกลายเป็นเทวทัตเพราะว่ากลายเป็นคุณอากตัญยูไม่รู้คุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผมก็ไม่อยากจะไปอยู่เวจีเช่นท่านเช่ น, ชนท่านพระเทวทัตกระโกากาดิกะเป็นอันว่าจะมีอะไรก็ตามก็ขอยึดพระบาลีไว้ก่อน วันนี้ขอนำเรื่องที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงตัดไว้ในพระบาลีก็เรื่องเก่าคือปลาชื่อว่ากับพิละความจริงเล่าไว้แล้วในที่อื่นแต่ว่าที่นี่เป็นไตรภูมิเราก็ต้องนำมาคุยกันไว้ เพราะว่าจะได้ทราบว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะขึ้นสวรรค์สักทุกองค์หรือว่าจะไปพรห ม, มโลกกันหมดแต่ส่วนใหญ่จริงๆถ้าไม่ได้ไปสวรรค์กันไม่ได้ไปพรหมและไม่ได้ไปนิพพานจิตใจของท่านที่ประพฤติเลวนั้นก็ไปเอเวจีมหานรกเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> แนื่มีในความท่านยัทราบได้ตามจริยาของท่านกัปปิละที่เคยฟังกันมาแล้วแต่วัา น, นี่เรื่องไตรภูมิก็ต้องมาเล่าให้สู่กันฟังความมีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นเดชประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรื่องนี้ตอนนี้ชัดผมเอาพระบาลีมาอ่านเลย <c oughs> คราวาก่อนล่อการปนเปิลปนเปิลไม่รู้ว่าที่ไหนกันแน่ไม่ทราบว่าพระราชาชื่อว่าอะไรคิดว่าพระเจ้าพิมีสารบ้างหรือว่าคิดว่าพระเจ้าประสเสนาธิโกศน์บ้าง <c oughs> อยู่ในประเชตวันมาหาวิหารทรงปรารบปราชื่อว่ากัปปิละยังได้ทรงแตดพระธรรมเทศนาว่า มนุสสัจสะเป็นตน้นความเรื่องนี้โดยย่อมีว่ามีในอดีตการมีท่านผู้เป็นพี่น้องสองคนดีกันเกิดในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรุมสาศชันดา ส, มาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงพระ น, นามว่าพระพุทธกสกปรินิพานแล้ว สองพี่น้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกอุปสมบทบรริชาในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบรรดาท่านทั้งหลายที่บทในเวลานี้ <c oughs> แต่ได้ว่าทั้งสองพี่น้องนั้นคนที่ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อว่ากบิละ <c oughs> ส่วนบรดาชื่อว่านางสาธนี น้องสาวชื่อว่าตาปัญนาปรากฏว่าเมื่อพี่น้องสองคนบวชแล้วมารดากับน้องสาวก็ตามบวชเป็นพิสุณีด้วยขั้นได้สองพี่น้องบวชแล้วต่างก็ศึกษาปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระอุปชาพอเล่าในความย่อวันหนึ่งท่านแนงสองก็ถามอุปชาว่า กทุระคือกิจที่ต้องพึงทําในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างท่านบุไวชาลก็ชี้แจงให้ทราบว่ากิจในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สองอย่างคือคันถาทุระอย่างหนึ่งและวิปัสนาสุระอย่างหนึ่ง <c oughs> สําหรับคันถาทุระก็ได้กิจได้กิจ ก, ก, การงานคือหนึ่งการศึกษา หาความรู้ในเรื่องของพระศาสนาคือในพระธรรมวนันแล้วก็ทำกิจการงานเป็นพาระธุระที่กิจในระหว่างของสงฆ์มีอยู่ก็ทำการงานนั้นอย่างนี้เรียกว่าคันธุระ <c oughs> ก็เป็นอาเมียนิสง์ใหญ่แต่วิธุระอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสนาธุระ ได้เกินได้กการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสให้เป็นสมุเทเฉต่บระหารเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อท่านโสทนะได้ฟังเทวะชากล่าวอย่างนั้นก็ขอกราบเรียนว่ากระผมไม่คนมีอายุมากแก่แล้วขอรับ ขอศึกษาในดังสวิปัฒนาธุระพระอุปัชาก็ใจดีสอนตั้งแต่ต้นยันอารสาตัผลความจริงก็สอนไม่ยากรู้จักวิธีทงจิตให้สงบสจากนิวรณ์ห้าราการตามสมควรและก็พิจารณาอริยสัจ ต, ตั้คขั้นห้าเป็นสำคัญ ในเมื่อจิตใจไม่มีความอะไรในกันห้ายก็ชีอว่าเป็นอราัตผลจบกันสำหรับน้องชายชีวกะปิละคิดว่าตัวยังหนุ่มขอศึกษาในด้านคันธุระเมื่อท่านศึกษามาไม่ช้าทั้งสองคนศึกษาต่างกันท่านโสธนะศึกษาในด้านวิปัสนาธุระก็ไปอยู่ในป่า ไม่ชาก็ได้สำเร็จอาหัตพนสำหรับท่านกปิละพิโกน้องชายก็ศึกษาในด้านคันถาธุระทวิชาการในพุทธศาสนาไม่ช้ก็จบพระไตรปิฎกเป็นอันว่าทั้งสองพี่น้องต่างคนต่างจบคนหนึ่งจบด้วยความบริสุทธิ์แต่ถ้าว่าอีกคนหนึ่ง จบโดยณในฐานะเป็นเสียกระดาษแต่ความจริงเสียกระดาษนี่ก็มีประโยชน์ถ้าจบเสียกระดาษแล้วปฏิบัติให้เกิดมรรคผลอันนี้มีประโยชน์มากแต่ได้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านกบิละเมื่อเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วคนทั้งหลายพระทั้งหลายก็สรรเสริญเยนยอ ว่าท่านเป็นผู้รู้ท่านเป็นผู้มีความฉลาดในการประพฤติในในการในคําสอนคือในคัมภีร์ต่างๆก็มีลูกน้องมากมีลูกศิษย์ลูกหามากต่อมาลาบสการะก็เกิดเมื่อลาบสการะเกิดก็มีการเมาในลาบสการะนี่ที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าลาบย่องทําต้องฆ่าคนเลว คือลาบชสกาละนี่เป็นฆ่าคนเลวคนเลวเมื่อเกิดราบชสกาละขึ้นมาก็มีความเมาในราบเป็นแล้วก็เมื่อมีลูกสิทธิลุกหามากมีคนยกย่องสรรเสริญมากเมื่อเป็นอย่างนั้นรายกฏว่าไม่ช้าท่านกปีิละก็เมามันก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควร คือที่พระวินัยทรงห้ามเธอก็ทําสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าควรจะทําเธอก็ไม่ทําคล้ายคันนี่นว่าคล้ายคันพระธรรมวินยัยเขาองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาพระสงฆ์นั่นหลายที่มีความรู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเตือนเธอเธอก็ไม่ยอมรับฟังกล <c oughs> ับอ้างแอบ อ้างกล่าวว่าพวกท่านไม่มีความรู้จะมาพูดอะไรท่านเหมือนกับคนที่มีมือเปล่าหาความรู้อะไรไม่ได้เป็นคนโง่คนเง้าประเภทนี้จะมาพูดผมไม่ยอมรับฟังเมื่อพระท่านหลายทนไม่ไหวก็ไปบอกท่านโสทนะท่อยู่ในป่าท่านโสถนะก็มาตักเตือนน้องชายน้องชายก็ท น, นงตนแบบนั้น เพระว่าได้รับการสรงเสริญเย็ยนยาจากชาวบ้านบนบรรดาพระที่ไม่รู้อะไรเป็นลูกน้องมากขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ไม่ฟังคำตักเตือนด้วยแล้วก็ไปแล้วก็ขับไล่บอกว่าลงพี่นี่มลไปป่าเถอะเป็นพระแก่บวชเขามาแล้วก็โง่เง่างาบงะไม่เคยศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แต่เป็นนั่งหลับตาอยู่ในป่าไม่มีความรู้อะไรจงออกไปซสียจากที่นี้จะมาจะมาสอนผมนะผมรู้ดีกว่าท่านเป็นอันว่าเมื่อท่านโสธนะได้รับความคำปราโมาจากน้องชายอย่างนั้นท่านก็กล่าวว่าคุณความรู้ของคุณนี่มีประโยชน์มาก ถ้าหากว่าจะนําความรู้เข้าไปเป็นเครื่องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นการสรืบอายุของพุทธศาสนาแต่ว่าคนที่ถ้ามีความรู้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติเลวทามจะกลายเป็นทําลายพระศาสนาให้พินาศไปท่านกบิละฟังที่ชายก็โกรธใหญ่ขับไล่พี่ชายไม่ยอมรับฟัง ท่านโสทนะก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็คงจะรู้กรรมของคุณในเมื่อวาระนั้นมาถึงท่านก็กลับข้อป่าแล้วก็ไม่มาตักเตือนแล้วจะเตือนเขายัางไงละ่ะคนที่ลงโ ง, โง่เมามันไม่ได้ลาบเสกการะเมามันไม่ได้คมยันยืนแง่ย่ ย, ยสันเริญเยินยอแบบนี้เรียกชื่อว่าเป็นคนตาบอดเสียแล้ว ต่อมาภายในไม่ช้าก็ปรายกฎวายุการผ่านไปคนทั้งหลายต่างคนก็ต่างตายท่านโสธนะพี่ชายนิพตายแล้วก็ไปสู่กนิพานพาะว่าตายนะปพระชาบ้านเขว่าตายกันท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็นสู่พนิไปสู่นิพานสำหรับท่านกวิละพิโกโคกนดี นางสาวธ น, นีผู้เป็นมารดาคนดีซึ่งเป็นพิษุณีเหมือนกันนางตาบรรนายคนดีซึ่งเป็นน้องสาวสมัยที่พระท่านหลายท่านตักเตือนว่ากล่าวลูกชายและพี่ชายนางพิษุณีทั้งสองก็พาดึงโกรธด่ดาว่าบรรดาพิษุสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นช่วยกันดา่าท่านกะพิละก็ดา่าด่าพระอื่น นางสาธนีกตารนาก็ช่วยลูกชายช่วยพี่ชายด่าอานิสงส์แห่งการด่าเพราะการระแวงสงสัยว่าคนอื่นเห็นว่าพระอื่นอิจฉาทศ่เสตน <c oughs> นี่มิสัยคนเลวเขาเป็นอย่างนั้นมิสัยคนเลวในย่อมสงสัยว่าคนอื่นเขาจะเลวตามเหมือนตน อ้าศัยที่มีจิตเป็นอกนุศลพระอื่นให้คำตักเตือนแนะนำยับยั้งก็โกรธหาว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นอิจฉาทิษย์อ่าทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเห็นว่าพระพี่ชายหรือว่าพระลูกชายมีลาภสการะมากมีคนเคารพนับถือมากจึงพากันอิจฉาทิษยาอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นทัศนะของคนเลว คนเราถ้าลงเลวแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาจะเลวตามด้วยช่วยกระพือความเลวให้มากขึ้นเดิมน่าทของกินเลดเมื่อต่างคนแตงตายก็ลงไปสู่อเวจีมหานรกวยการนงสามคนนี่บรรดาท่านทั้งหลายแต่ว่าพระของเราส่วนใหญ่เป็นพระดี <c oughs> แต่ก็อย่าลืมนะ จงพากันรักษาความดีม เ, เหมือมนเกลือมือไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มถ้าดีแล้วก็อย่าให้ดีแตกอย่าเมาในลาบอย่าเมาในเสนเสญอย่าที่เดสงสัยว่าใครเขาจะนินทาเราอย่าสงสัยว่าใครเขาจะแกล้งแกล้งเราถ้าเราดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเขาว่าเขานินทาเขากล่แกล้ง ถ้าถ้ากําลังใจของเราเลวแล้วก็บางทีเขาไม่ได้ดินทาว่าร้ายดอกไอ้แบบวัวส้นหลังหวะก็เรียกว่าแบบวัวส้นหลังหวะไทยเขาจะคุยกันที่ไหนเขายกเขายกคุยอะไรกันก็ตามเขายกรบถึงใครก็ตามก็คิดว่าว่าตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกับสองหญิงดาวท่านกับปิละ เมื่อคนพระท่านมาปรารพว่าจงปฏิบัติความดีแต่ท่านก็ไม่ทําอย่างนั้นกลับหาว่าเขาอิจฉาทศยะถ้าเห็นว่าตนมีลาภมากมีคนนับถือมากพระเขาว่าพระนีดีอิจฉาทศยะเสียอีกผล อ, อย่างนี้เพรามว่าคงไม่มีในสำนักของเราเพราะปฏิบัติสมถะวิปัสสนากันทุกวันถ้ามีอย่างนั้นมันก็เลวเกินไป เพราะมันเป็นมีสัยของสัตว์นรกเพืออดูตัวอย่างท่านกะพระกับนางสาธนีกับนางตาปนาแค่ที่ผมพูดในมาจินดานะเพราะว่าเป็นมีสัยของสัตว์นรกเพราะว่าท่านทั้งหมดนี่ลงนรกด้อาการอย่างนั้นหนึ่งติดในลาบสองติดในบริวารสามปากไ้สี่ใจเสีย แต่ะขึ้นต้งกันจริงๆเพราะว่าใจเสียเวลานั้นวิสัยอรหันยังมีอยู่มีพระอรหัน์อยู่มากแต่ก็ตนเองไม่สนใจทำแต่เพียงโลกีวิสัยกล่าวคือศึกษาได้เพียงปริยัตแลวก็ดัดแปลงไรทำคำสคํงสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าติดในราบติดในคำสนเสริน ม่อารมณ์อิจฉาทศิยาบรงดาพระที่มีความดีขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระหลานกล่าวปราโมาต์พระหารปัจจัยเช่นนี้นั้นเป็นปัจจัยข้อเวจีมหานรกบรรดาพี่สุตสมณีนนทั้งหลายรับฟังไว้แล้วก็จำไว้ด้วยช่วยตักเตือนบรรดาเพื่อนๆกันถ้าเห็นว่าจะทำามีอาการอย่างนั้นปรากฏขึ้น เมื่อตกมนรกไปแล้วสิ้นหนึ่งพุทธันดรก็ปรากฏว่าพันกบีละ้วยไม่แนวเวจีทั้งหมดขึ้นมาเกิดในาศาสนาองค์โคองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาวันหนึ่งพรรดาลูกชาประมงเล่งกันพอหายเหนื่อยก็แห่ไปทอดเธอก็ติดแหขึ้นมาเกรดเป็นทอง บรรดาพ่อแม่กดดีใจคิดว่าลูกชายของเรานี่ออกหาปลาครั้งแรกก็ได้ปลาเปรีเป็นสีทองถ้าปลาสีทองนี่คงจะมีราคามากถ้าเราไปให้คนอื่นเขาจะกดราคาควรเจตถวายพระราชาแล้วก็ประเชตวันนีพระราชาเ น, นี่ยต้องมีนามว่าพระเจ้าพิมีสาร เปือ่อนัุว่าไปถวายพระราชาพระราชาไม่ได้ทราบแล้วจึงได้ปากก็สงสัยว่าปลาตัวนี้สวยจริงๆแต่อ้าปากไม่ได้ปากเหม่งครุง่งวิุจาณละกลบอบอวลไปหมดจิงคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้นอกจากองค์สมเด็จพระบรมสุคต์ยิงได้นำปลาตัวนี้ชื่อกระวีละไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูนถามองค์สมเด็จพระกิตตมานว่าพันเตพีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ้าเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดียวข้าเ <c oughs> พื่อเหตุใดปราณีจึงมีสีเหมือนทองคำและ ว, ว่าพู้เหตุไรจะมีกลิ่นปากเหม็นพุ่งออกอตลกแบบนี้ในเวลาอาบปาก องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าจึงได้มีพระพุทธดี ต, ตากาตวามามหาราชะขอถวายพระพรสมมหาบพิตพระราชสมภาราณีชีวะกะพิละพิโกเป็นผู้สูตรคือทรงพระธรรมวินัยมีบริวารมากในธรรมวินัยขอ ง, องค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระพุทธกัศสก ความทะยานอยากในลาบครอบงำด่าบริาพาดพิสุผู้ไม่ถือคําของตนนี่เรียกว่ามีความอยากทะเยอทยานในลาบเสกการะอยากได้ลาบมากแล้วก็ด่าบริาพาดบรรดาพิสุที่ไม่เชื่อความฟังตนถือว่าตนะเป็นคนรู้ตนะเป็นคนพิเศษ <c oughs> ไม่มีใครดีเท่าตนแต่ผู้อะไรตนจะต้องเชียอทำลายพระศาสนากของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนาม ว, ว่าพระพุทธกสบ <c oughs> ให้เสื่อมทรามลงนี่จำให้ดีในวันนาท่านนั่งไหลนะอย่าเมาในลาบไสาการะแล้วก็อย่าทำโลงตนว่าเป็นผู้วิเศษ เราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระโรมันโลกอาเชตจงตัดความเมาในลาบตัดความเมาในยศตัดความเมาในคำบรรเสริญตัดความเมาในกานสุขอันนี้มันปรากฏชัดเราเส้นเกตกันได้ง่ายดูใจของเราดูจริยาของเราถ้าเราทําอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเป็นที่ไม่ถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องทําตามจริยาในพระพุทธศาสนา ใครเขาตักเตือนก็ต้องเชี่วฟังยับยั้งในการกระทาของตนมิเช่นั้ น, นผลก็คือจะได้อย่างแท่นกบิลาภพิกุแล้วองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่ัต่อไปว่าเขาก็ไปเกิดในเวจีมหานรกในกรรมนั้นบัดนี้เกิดเป็นปลาไดยเสียแทงผลของกรรม ก็เพราะว่าเธอบอกพระพุทธวจนะกล่าวํำสรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าสิ่งการนานนี่ที่นี้ยังได้อัตภาพมีสีเปล็ดของตัวนะ่ะเหมือนทองคำนี่ผลที่การสอนทำด้วยเจตนาดีในวาระแรกเป็นผลให้เธอมีเกล็ดเป็นทองคำสวยนี่คนบอกทมนะ ก่มีรูปร่างสวยในชาิหนาแต่เพราะความระยำที่ทำลายพระพุทธศาสนาคือเมาในลาบเมาในคำดนงเสริญเมาในบริวารมีจิตอิจฉาดิสิยาบรรดาพระสมทันไลที่เข้ามาตักเตือนดาว่าทันทหลาลเหล่านั้นจึงมีปากเหม็นกลิ่นเหม็นเหมือนอุจาระ แล้องสมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมีพระพุทธฎีกาจัดต่อไปว่าพระมหาโมพิฏอาตมาจะให้ปลาในผู้จะเอาไหมพราชาก็กราบทูลองสมเด็จพระจอมไตรว่าต้องการพระพุทธยาค่ะลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาจัดว่ากะปิละดูก่อนปลา เจ้าชื่อว่ากัปิละใช่ไหมพระราคก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามว่าเจ้ามาจากไหนพระราคก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากอเวจีมหานรกพระเจ้าค่ะพระสาวเสดาจึงถามว่าพระโสนะพี่ชายของเจ้าไปไหน รายก็ตอบว่าพระโสธนะมีชายไปบริณิพนธ์แล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบระมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดถามต่อไปว่าคนนางสาธนีมันได้ของเจ้าเวลานี้ไปไหนรายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้อยู่ในโอเวจีมหานารกพระพุทธเจ้าค่า พระศาสนสดาทรงตัดถามว่านามนตาปนาลูกสาวของเจ้าไปไหนพระรักราภทูลองสมเด็จไปจอมไตรว่าเกิดจุนเนเวจีมหานรกพระเจ้าค่าพระศาสดาสสทรงตัดถามว่าบัดนี้เจ้าจะไปไหน ราชีกบวีละก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาฆ้าติองค์สมเด็จพระผู้มีราา พ, รพระภาคเจ้าผู้เจริญพระเดียวค่ะถ้าพระพุทธเจ้าตายจากที่ปลาไปความเป็นปลาแล้วก็จะต้องลงกลับลงไปสู่วเวชีมหา น, นุกต์ดังเดิมเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วอาศัยความร้อนใจพอบงำในจิตคิดว่าเราไม่น่าจะเลวอย่างนี้ อาศัยความกุ้มใจเอาสิงเอาที่แท้ฟาดเรือทาการละตายแล้วในทันทีทันทีทันใดเมื่อตายแล้วก็กลับไปเกิดในนรกใหม่มหาชนนั้นหลายได้ฟังก็สดดใจอย่างยิ่งนี่แหละบรรดาท่านพิสุทธิสมณเนรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมารับฟังเรื่องราวข้าเวจีมหานรกก็จึงจำไม่ด้วยช่วยกันจา หากว่าท่านมีลูกท่านมีหลานที่เขาตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนาก็คอยเขาบวชได้ศรัทธาและปฏิบัติตามและทำมวินัยพระองค์สมเด็จตระสมาสัพพุทธเจ้าแต่เห็นว่าใจของเขาถ้าจะไม่ดีจริงๆแล้วก็ย้ายเขบวชในพระพุทธศาสนาเลยเป็นภัยใหญ่เพราะว่าการบวชนี้ถ้ากําลังใจเสียแล้วก็โทษมันหนัก ชาวบ้านค้นด่ากันตั้งร้อยครั้งคังพันครั้งเขาไม่ตกอเวจีมหานรกแต่พระดาพระนี่ลงอเวจีมหานรกพระอิชาลิศยาพระพระมัมเนเมาในลาบเสการะคือร่โลภมากอยากได้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบรมความจริงเขาให้แต่ก็ให้โดยชอบทำแล้วสอนทำเขา เมื่อก็ให้แล้วมันโดยชอบธรรมแต่ว่าจิตใจของท่านเกิดกำเริบไปชอบธรรมเห็นว่าลาบสการะมากจริงท่านนงตนว่าตนเป็นผู้วิเศษแล้วกลับดัดแปลงคำสั่งคำสอนเขาองค์สมเด็จพระบรมไตรโล ก, กเชษฐ์ไม่ดัดแปลงก็ไม่ได้รู้ว่าเดี๋ยวพระท่านหลายท่านหาว่าโลบมากถ้าเขารู้ว่าโลบมันก็อย่าเสียคนก็จําเป็นที่จะต้องดัดแปลงคําสั่งสอนเขาองค์สมเด็จพระทศพล นี่เป็นอันว่าหนึ่งความโลภเป็นปัจจัยให้ท่านกปิละลงอเวจีแล้วมาเกิดเป็นปลาปากเหม็นแล้วกลับลงอเวจีใหม่รลการที่สองความเมาในศักดิ์ศรีรการที่สามความอิจฉาหิือยาที่จิตมีด่าบรรดาพระทั้งหลายที่ตักเตือนด้วยดี เป็นอันว่าท่านผู้นี้ต้องลง เ, เวจีเป็นวาระที่สองอรามบันดาทัานหลายเรื่องนี้ก็กล่าวย้ำกันพระนวินัยมีแล้วแต่ว่านี่มันเรื่องของไตรภูมิจาเป็นต้องมาเล่าใหม่เข้าใจว่าที่พูดว่ในวินัยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้ยิงขอมาซ้ำใหม่เพื่อความเข้าใจของท่านและขอทุกท่านจงเป็นผู้รักษาพราะธรรมวินัยหมไว ถ้าจิตใจของท่านยังห่างบรมีสิบยังห่างจารณะสิบห้านี่ความจริงผมว่ามีอยู่นะที่ห่างจารณะสิบห้ายังมัดวตัวอยู่ในความโลภโมโทสันถ้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามดั ง, งับใจเขไว้ยังไงยังไงอดทนเขไว้ถ้าทนไม่ไหวก็สิกออกไปให้จากเขตพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าในภาษาก็ไม่เปรายสิกได้ นี่ฉะนั้นแล้วก็จิตใจของท่านเมื่อมันไม่ดีเวลาตายไปก็ดูตัวอย่างท่านกัปปิละก น, นังสาธานีกตาพ น, นาเป็นตน้นอรบรรดาท่านสาวกององสมเด็จปทศพลเวลานี้การเวลาที่จะคุยกันก็หมดแล้วเรื่องข้าเวจีมหานรกวันหลังฟังใหม่สําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้จตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี